พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส2องพระสูตรที่18ปมธทุปินทิกสูตรสูตรว่าด้วยธรรมะที่น่าพอใจเหมือนขนมหวานพระผู้มีพระภาคประทับณ น, นิโครทารามใกล้กรุงกบิลพั์แขวนสักกะตรัสตอบคำถามของทันทปานิสักยะที่ว่าทรงมีวาทะอย่างไรตรัสบอกอย่างไร โดยทรงชี้ไปว่าทรงมีวาทะและตรัสบอกในทางที่จะไม่ทะเลาะกับใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกและในทางที่สัญญาอัตถคถาชี้ว่ากิเลสสัญญาคือความกาหนดหมายด้วยกิเลสจะไม่แฝงตัวตามในที่นี้แปลว่านอนตามคือมีอยู่อย่างไม่ค่อยปรากฏตัวเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มต่อเมื่อมีอะไรมากวนจึงขุ่นขึ้น ทรงมีวาทะและตรัสบอกในทางที่จะไม่ทะเลาะกับใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกและในทางที่สัญญาจะไม่แฝงตัวตามบุคคลผู้อยู่อย่างไม่ประกอบด้วยกามผู้ลอยบาปผู้สิ้นความสงสัยรังเกียจปราศจากความทยานอยากในภพน้อยใหญ่ทรงเล่าเรื่องครั้งต้นให้ภิกษุทั้งหลายฟังเมื่อภิกษุรูปหนึ่ง ขอให้ท่งอธิบายก็ท่งอธิบายอย่างย่อๆภิกษุทั้งหลายจึงไปหาพระมหากัจจานะเทระให้อธิบายโดยละเอียดพระเทระจึงอธิบายขยายความของพระพุทธภาษิตสั้นๆที่ว่าปปัญจัดสัญญาสังขาคือส่วนแห่งความกำหนดหมายกิเลสเป็นเหตุให้เนิ่นช้ายอมครอบงามบุรุษเพราะเหตุใดถ้าไม่เพลิดเพลิน ไม่ยึดถือในเหตุนั้นได้คืออายตนะสิบสองนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งกิเลสที่แฝงอยู่คืออนุสเจ็ดกิเลสที่นอนซ่อนตัวอยู่ในสันดานนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้สัตราการทะเลาะวิวาทการชี้หน้าด่าทอการส่อเสียดการพูดปดโดยขยายความแสดงลำดับธรรมะดังนี้ หอาศัยอายตนะภายในอายตนะภายนอกเกิดความรู้แจ้งอารมณ์เรียกว่าวิญญาณ 2. รวมธรรมะสมประการคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณเรียกว่าผัสสะในวงเล็บความถูกต้อง 3. เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา คือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ 4. รู้สึกอารมณ์ใดก็จําอารมณ์นั้นได้หมายถึงมีเวทนาก็มีสัญญา 5. จําอารมณ์ใดได้ก็ตรึกถึงอารมณ์นั้นคือมีสัญญาก็มีวิตก 6. ตรึกอารมณ์ใดก็เนื่องช้าอยู่กับอารมณ์นั้น 7. เนื่นช้าอยู่กับอารมณ์ใดส่วนแห่งความกำหนดหมายกิเลสเป็นเหตุให้เนื่นช้าในรูปที่พึงรู้ได้ด้วยตาเป็นต้นที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันยอมครอบงำเขาเพราะเหตุนั้น 8. เมื่อมีอายตนะภายในมีอายตนะภายนอกมีวิญญาณก็มีฐานะที่จะบัญญัติผัสสะได้เมื่อมีการบัญญัติผัสสะ ก็มีฐานะที่จะบัญญัติเวทนาได้เมื่อมีการบัญญัติเวทนาก็มีฐานะที่จะบัญญัติวิตกคือความตรึกได้เมื่อมีการบัญญัติวิตกก็มีฐานะที่จะบัญญัติการครอบงำของส่วนแห่งความกำหนดหมายกิเลสเป็นเหตุให้เนื่อช้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบก็ทรงอนุโมทนาว่า ถ้าให้พระองค์ทรงอธิบายก็จะตรัสอธิบายเช่นเดียวกับพระมหากัจจานะพระอานน์กราบทูลสรรเสริญคำอธิบายนี้ว่าเหมือนคนหิวกระหายอ่อนกําลังได้ขนมหวานจึงตรัสให้เรียกธรรมปริยายนี้ว่ามาทุปินทิกะปริยายแปลว่าบรรยายที่เปรียบเหมือนขนมหวาน